มันเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมไม่สามารถจะหาตรงไหนได้จริงๆครับเพราะว่า YouTube ช่องที่ผมไปดาวน์โหลดมานั้นน่ะเขาโดนระ ง, งับไปผมว่าเขาน่าจะโดนบล็อกบัญชีไปแล้วล่ะครับผมก็เลยต้องอ่านเองถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่คล่องแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยสงสัยต้องเรียนกันอีกนานเลยยังไงก็ฝืนใจทนฟังเสียงของผมหน่อยนะครับสองร้อยสิบสาม เช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปอย่างสงบอิเรียบร้อยทุกประการทุกคนรับประทานอาหารมื้อแรกและเริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่บุญคำและหนานอินคงทำหน้าที่นำไปเบื้องหน้าตามคำสั่งของเขาและทิศทางที่นัดหมายเอาไว้ให้ทราบคร่าวๆแล้วเหมือนอย่างเคยผลทางทุกคนตระหนักดี ว่าเป็นการเดินจากที่สูงลงมาเป็นลำดับแม้ว่าบางขณะจะรู้สึกว่าเดินอยู่บนพื้นที่อันเป็นชุ่งย่าโล่งสลับละเมะในสภาพเหมือนพื้นราบนานนับเป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนจะหักหล่เนินเดินบ่ายหน้าลงต่ำอีกแสดงว่าแต่ละตาแหน่งที่เดินกันมานั้นล้วนอยู่บนยอดเขาที่กว้างใหญ่ซึ่งมองแล้วแทบไม่ทราบเลยและได้ลดระดับต่าลงมาทุกขณะ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 รวมทั้งพืชพันธุ์ที่อาศัยขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงไม่ปรากฏร่องรอยของสัตว์ใหญ่อันตรายใดๆแพ้่พานมาให้เห็นเลยนอกจากพวกกวางและนกนานาชนิดหลากหลากพันเท่านั้นพอรุ่งเช้าของวันที่สรับพินไพรวันก็เริ่มเดิอนออกนำาลิ้วไปเบื้องหน้าแล้วเหมือนจะเป็นการเร่งเวลาของทุกคนให้เพิ่มอัตราฝีเท้าขึ้นในตัว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 ท่วมกายและภูมิอากาศก็เริ่มระอุอ้าวแตกต่างไปจากระยะทางที่เดินมาแล้วเรากำลังจะดบหน้าตัดลงตะวันตกแล้วเสียงของพูดวิทยุบอกทุกคนมาขณะที่ขึ้นไปยืนเด่นรออยู่บนตะพักบริเวณหนึ่งของหน้าผาค่อนข้างสูงชันขณะนี้เราพ้นเขตของเทือกพระศิวะแล้วหรือยังเชิดาวิทยุสอบถามขึ้นไป เราพ้นเทือกภะศิวะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับต่อไปนี้อากาศในเวลากลางวันจะร้อนระอุอ้าวร้อนที่สุดและกลางคืนก็จะหนาวผมแน่ใจว่าอย่างช้าอีกไม่เกินสามวันเราจะเข้าถึงดงทึบแล้วระพินเสียงของดารินเรียกขึ้นไปอ่อยๆขณะนั้นหล่อนใช้มือนหนึ่งเกาะแง่หิน อีกมือหนึ่งเช่นเหงืออันเกาะพราวอยู่บนหน้าผากครับผมคุณเริ่มทารุณกับพวกเราทั้งหมดอีกแล้วนะขึ้นไปนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินเร็วเหลือเกินเราต้องแข่งกับเวลาครับคุณหญิงถ้าดวงดาวทำองศาผิดมุมไปเมื่อไรและระยะทางของเรายังไม่บรรลุถึงตามจุดที่กำหนดไว้หวนทางมันจะยาวไกลออกไปมากทีเดียว ขอให้ทุกคนอดทนหน่อยผมรับรองว่าจะต้องกลับถึงบ้านในเร็วกว่ากำหนดมากอย่างชนิดทุกคนต้องอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวทุกคนเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรอีกเพราะเบื้องบนพระพินเริ่มหันหลังออกปินปายต่อคริสผู้อยู่ในระดับที่ที่สูงเหนือกว่าดารินและเบลขึ้นไปก้มลงมาพยักหน้ากับราชกสกุลสาวแล้วส่งมือลงมาให้ชุดเอาดารินขึ้นไปก่อน ต่อมาจึงชุดเบลเป็นคนที่สองทั้งสาสาวเดินเกาะกลุ่มกันตลอดเวลาโดยมีกลุ่มของพวกผู้ชายคอยระวังอยู่ด้านล่างในขณะปีนปเสียงนายคิดเริ่มสบทดด่าอุบอิบอีกคิดร้อนและเหนื่อยมากไม่ค่อยจะได้เบื้องหลังลงไปก็เป็นกลุ่มของพ่านพื้นเมืองที่คอยช่วยกันประครับประคองสัมภาระที่พวกลูก หาบแบกหามโดยส่งทยอยขึ้นไปทีละคนเต็มกลืนเหมือนเมื่อขามาอีกแล้วโว้ยเสียงคีดพืมพำออกมากับเชิดวุฒและสเตลลีซึ่งแต่ละคนเหล่านั้นก็ล้วนมีเหงื่อท่วมตัวพร้อมทั้งใบหน้าอันขาวเผือดด้วยความเหนื่อยและและริมฝีปากแห้งผากชั่วไม่นานต่อมาระพิมก็สามารถนำให้ทุกคนขึ้นมาเดินอยู่บนสันเขาอันแห้งแล้งไปด้วยก้อนหิน เบื้องล่างลงไปลิบลิบคือลาธารน้าไหลที่เลาะอ้อมตีนเขาอีกฝากหนึ่งเราจะลงไปพักที่ทานน้ำข้างล่างที่เห็นอยู่และนั่นคือเป้าหมายจุดต่อไปที่เรามุ่งหน้ามาขอชี้บอกทุกคนภายหลังจากที่ได้มายืนกันอยู่บนส่วนยอดบนสุดของสันเขาหินล้วนลวนลูกนั้นโอเคหาทางตัดลงไปได้แล้วระพิน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 ที่ตามหลังเขาไปในระยะเว้นห่างประมาณ10เมตรต่างอ่อนระหวยรวยแรงกระปลกกระเปี้ยไปตามๆกันแม้แต่อนุชาหรือนันอินที่จัดว่าเป็นนักเดินป่าไต่เขาชั้นหนึ่งมาก่อนแล้วทุกคนต่างทำหน้าที่คอยช่วยเหลือประคับประคองกันไปทั้งฝ่ายเชิดช้าและฝ่ายสเตลลีคลิกเหยียบหินร่วนในลักษณะเป็นกรวดลูกรังทำท่าจะเสียหลักลม้มลงครั้งหนึ่งแต่ดารินฟ้าเอไว้ได้และเบลสะดุดก้อนหิน หัวขมำ ม, มีอาการเหมือนจะล่นร่วงลงไปจากสันเขาบริเวณทางเดินแคบๆในส่วนนั้นทั้งดารินและคริสก็ช่วยกันตะครุบตัวไว้อย่างหวุดหวิดจนเจียนชุนลมุนกันอยู่ตรงบริเวณมินเม่นั้นจนพวกผู้ชายอีกสองสามคนที่ตามหลังมาต้องเข้ามาช่วยฉุดดึงกันอย่างโกลาหลก่อนตะวันรับสันเขาเล็กน้อยระพินก็นำคณะไต่ตัดทางลงมาอย่างตีนเขาอีกฟากหนึ่งได้เรียบร้อย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 เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสมรรถภาพไปเลยแม้แต่นิดหนึ่งตลอดระยะการเดินที่ผ่านมาไม่มีเสียงปืนกระบอกใดจำเป็นจะต้องลั่นขึ้นแม้แต่นัดเดียวแต่สัญญาณแห่งการบุกบัน่นฟันฝ่าอย่างหนักชนิดที่เหน็ดเหนื่อยกันแทบขาดใจได้เพิ่มทวีขึ้นทุกวันถทว่าก็ยังดีกว่าที่จะต้องมายุ่งยากคอยพะวงกังวลหรือกลิ่งเกรงอยู่กับพยันตรายที่อาจจู่โจมขึ้นมาในรูปแบบต่าง ผิดกับที่แล้วมาหน้าที่ของทุกคนคือการเดินไต่เขาอย่างเดียวเท่านั้นโดยฝากความหวังไว้ว่าอีกไม่นานจะถึงตำแหน่งพื้นราบที่เดินกันได้อย่างสะดวกสบายขึ้นและแม้จะยังไม่ปรากฏวีเวลภัยร้ายใดๆจะเฉียดใกล้เข้ามาจอมพรานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของเขาอย่างรอบคอบรัดกลุ่มเสมอโดยไม่ประมาทแม้แต่น้อยและขอร้องให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ยอมให้ใครเดินแตกฝูงแยกเดี่ยวออกไปไกลเกินกว่าสายตาหรือรัศมีคุ้มกันของพรรคพวกอย่างเด็ดขาดและไม่มีเหตุการณ์ใดที่เข้ามาทำให้ต้องแยกย้ายกันออกไปเป็นสองสาฝ่ายนอกจากจะไปด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดเป็นคณะใหญ่36คนและในเวลาร่วมสนทนาปรึกษาหารือไม่ว่าจะระหว่างการเดินทางหรือการพัก เขาก็ยังคงปฏิบัติตนในฐานะมัคคุเทศ ร, รับจ้างผู้ซื่อสัตย์อยู่ตามเดิมจะไม่ปลีกตัวไปคลุกอยู่เฉพาะฝ่ายของเชิดาอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะร่วมสนทนาหารือพร้อมหน้ากันหมดกับฝ่ายของสเตลลี่ด้วยโดยถือเสมือนทั้งสองฝ่ายคือเจ้านายของเขาอยู่ตามเดิมอันทำให้ฝ่ายอเมริกันบังเกิดความอบอุ่นใจอย่างยิ่งพวกเราฝ่ายผมตอนนี้คิดว่าอาจเป็นส่วนเกินของคุณแล้วนะ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 ด้วยเสียงกังวานชัดเจนกลางวงสนทนาว่าระพินของฉันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาปฏิบัติกับพวกคุณครั้งนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นมันเป็นธรรมชาตินิสัยหรือจะเรียกว่ากระมวลสันดานของเขาก็ได้พวกเราต้องขอขอบคุณคุณชายเชยดขากับคณะทั้งหมดด้วยที่ไม่ได้แสดงความรังเกยียจอะไรเลยในการร่วมเดินทางกลับครั้งนี้ทุกท่าน ล้วนเป็นมิตรที่ดีทั้งสิ้นและเพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่พวกเรายิ่งขึ้นหัวนหน้าคณะอเมริกันหันไปทางเชียด์าเอ่ยออกมาจากความรู้สึกที่จริงใจอดีตท่านทูตทหารบวกหัวเราะเบาๆพวกเราคนไทยล้วนมีความจริงใจเสมอเมื่อถือว่าคุณคือมิตรเราก็มีความรู้สึกด้วยอย่างมิตรโดยไม่มีอะไรเคลือบแฝงขอให้พวกคุณสบายใจได้ ผมไม่เคยถือว่าพวกคุณเป็นอีกฝ่ายเลยนอกจากจะคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดที่จะต้องร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันใ น, ในเที่ยวขากลับนี่จนกว่าจะถึงเวลาที่เราแยกจากกันเราคงจะกล่าวคําอำลาต่อกันที่หนองน้ำแห้งนะคะพี่ใหญ่เบลกล่าวขึ้นยิ้มยิ้มก็ยังไม่แน่นะักพวกคุณอาจโชคดีกว่านั้นก็ได้ที่มีโอกาสอำลาพวกเราก่อนที่จะไปถึงหนองน้าแห้งเชือาว่า เปาควันซิก้าขึ้นไปบนอากาศซึ่งภายหลังตะวันตกดินไปแล้วเริ่มเย็นเยือกลงอย่างรวดเร็วหมายความว่าอย่างไรครับคิดถามมาโดยเร็วจ้องหน้าเชียดฉาก็หมายความว่าวิทยุติดต่อกับศูนย์บัญชาการอันเป็นสถานีอวกาศของพวกคุณเครื่องนั้นอาจใช้งานขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ในเส้นทางที่เรากาลังเดินกลับนี้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 ไม่คิดกันอีกเลยว่าวิทยุรับส่งเครื่องนั้นของเราจะมีปาฏิหาริย์อะไรมาทาให้มันใช้การขึ้นมาได้อีกมันตายไปตั้งนานแล้วครับระหว่างที่เราบุกอยู่ในนรกดำถ้าคุณรู้จักคำว่าปาฏิหาริย์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในพิภพโลกนี้ล้วนอาจเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ทั้งสิ้นเมื่อมันหยุดทำงานไปโดยคุณก็บอกแล้วว่าคุณไม่ทราบสาเหตุตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่าส่วนใดของมันชารุดมันก็ย่อม อาจกลับคืนมาใช้ได้อย่างเดิมเมื่อถึงเวลาของมันผมมีสังหรโหว่ามันจะใช้งานได้ณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างเส้นทางกลักของเรานี่แหละและคงไม่นานนักนี้ด้วยอะไรที่ทำให้คุณชายมีความรู้สึกเช่นนั้นสเตลลีถามสวนมาโดยเร็วด้วยสีหน้าตื่นตื่นเชิดถาคงหัวเราะเบาๆอยู่เช่นนั้นเขาไม่ได้ตอบตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองในขณะนี้แต่บุยปากไปทางคริต ผู้นั่งสงบนิ่งอยู่ผมคิดว่าคริสน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดคุณลองถามคริส ด, ดูดีกว่าว่าความสังหรของผมข้อนี้ตรงกับของคริสไหมฝ่ายอเมริกันทั้งหมดหันไปมองดูแหม่มผมทองเป็นตาเดียวหล่อนขยับกายนิดนึงบบกมือปฏิเสธบุรีที่อนุชาส่งมาให้และดูเหมือนว่าหล่อนจะได้หยุดสูบบุรีไปตั้งแต่อยู่ในมรกรครแล้วเพราะไม่เคยมีใครเห็นอีก หันไปมองทางเชษา่า พ, พึมพำว่าพี่ใหญ่มีสัมผัสได้ดีมากในทุกๆด้านแล้วก็หันไปทางพรรคพวกของตนเองพลางเอ่ยขึ้นด้วยอาการสงบเ ย, ยกเย็นฉันเป็นสิทธิ์ของผู้ยิ่งใหญ่สองท่านคือราพินไพรวันและองค์จักรราชก่อนที่เราจะออกเดินทางมา น, นั้นทั้งครูราพินและองค์จักรราชได้ตักเตือนคาดขันไว้หนักหนา ที่จะให้เรานําวิทยุเครื่องนี้กลับติดตัวออกมาด้วยแม้จะไม่ได้ให้เหตุผลอะไรกับพวกเราทุกคนนักก็ตามโดยสัญญาณเตือนของบุคคลอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสนี่แหละที่ทําให้ฉันก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าวิทยุของเราน่าจะต้องมีโอกาสใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งค่อนข้างจะแน่นอนหาไม่เช่นนั้นก็ไม่พยายามเตือนให้เรานํากลับมาด้วยให้หนักหรอกใช่ไหมคะ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 เชยันพลุ่งขึ้นกลางคันพร้อมกับยิ้มให้เบลอย่างมีเมตติจิตถ้ามีญาณพานะมารับพวกคุณก็ขอให้เราจากกันแค่จุดที่เขามารับนั้นเถิดเราลาจากกันแค่นั้นเอาไว้อนาคตข้างหน้าถ้าโอกาสมีเราค่อยพบกันใหม่ได้พวกผมทั้งหมดนั้นไม่ได้มีกันเพียงสีห้าคนที่คุณเข้าใจแต่มันหมายถึงพรานพื้นเมืองของราพิน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 ประโยคหลังชยันถามความเห็นไปยังฝ่ายตนทุกคนซึ่งแต่ละคนก็ยิ้มและกลมศีรษะรับนั่นมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันที่เรามาทำความเข้าใจตกลงกันไว้ล่วงหน้าเสียก่อนแบบนี้จะได้เข้าใจกันเสียแต่เนื่นๆขอให้พวกคุณสี่คนรวมทั้งคุณเชิดวุฒิอีกหนึ่งคนในฐานะฐานฝ่ายประสานงานในครั้งนี้รวมแล้วเป็นห้าคนแยกทางไปได้เลยเพราะ จุดหมายปลายทางของเราทั้งสองฝ่ายคงจะต้องเป็นคนละแห่งกันอยู่แล้วพวกเรามุ่งหนองน้ำแห้งพวกคุณก็มุ่งเข้าฐานที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พวกเราจะติดไปกับฝ่ายคุณด้วยแม้จะอ้างว่าเพื่อความสะดวกก็ตามทั้งฝ่ายเรานั้นแม้จะใช้วิธีเดินกลับก็สะดวกอยู่แล้วแต่พวกคุณทั้งหมดยังต้องมีภาระหน้าที่อีกสารพัดถือว่า ถ้าความจำเป็นโดยไม่มียานพาหนะมารับระหว่างทางพวกคุณก็ต้องเดินร่วมทางกับพวกเราไปจนกว่าจะถึงหนองน้ำแห้งอนุชากล่าวอย่างกระจ่างชัดอีกคนหนึ่งฝ่ายอเมริกันทั้งหมดเละเชิดวุดพากันอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วสเตลลีก็เลไปทางจอมมาคุเทศเหมือนจะขอความเห็นระพินยิ้มให้กล่าวชาว้าชาว่านี่เป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดแล้วครับดอตอร์อย่า ก, กังวลทางฝ่ายพวกผมเลย เพราะคุณมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าถึงฐานและหน่วยเหนือให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่น่าจะขิดตะขวงใจสำหรับพวกผมเหลือเกินอเมริกันอาวุโสลู่ปลายจมูกตนเอง พ, พึมพำออกมาเราเหนื่อยยากลำบากแทบเอาชีวิตไม่รอดมาด้วยกันแต่วิธีแยกจากกันนั้นเหมือนเราเอาตัวรอดพผลทิ้งคุณและมิตรรักทุกคนไปอย่างสะดวกสบายที่สุดแต่มันก็ถูกต้องตามที่รับพินพูดทุกอย่างเพราะ เราหาทางออกที่ดีไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วผมยอมรับว่าฝ่ายผมมีภาระหน้าที่ต้องรายงานตัวต่อนหน่วยเหนือโดยเร็วที่สุดนี่เราก็พูดกันเสียยังกับว่าพรุ่งนี้ยานพาหนะจะมารับพวกเราไปได้งั้นแหละผมยังมองไม่เห็นทางเลยแต่ที่เห็นแน่ชัดถึง 99% ก็คือต้องเดินร่วมทางกับพวกคุณไปจนกว่าจะถึงหนองน้าแห้งสะกนแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้น จงภาวนาขอความช่วยเหลือต่อพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิคะด็อกเตอร์ภาวนาขอให้วิทยุเครื่องนั้นมันทำงานขึ้นมาได้อีกครั้งพวกเราก็จะช่วยกันภาวนาด้วยดารินพูดยิ้มยิ้มมาเป็นคนหลังสุดแต่ผมไม่ภาวนาด้วยนะครับพี่หญิงผมอยากจะเดินกลับกับพวกพี่ไปจนถึงหนองน้าแห้งอีกครั้งเชิด ว, วุดกระซิบเบาๆดารินหัวเราะมองหน้านายฐา น, นุนอย่างเอ็นดู ถ้ามียานพาหนะมารับคุณต้องกลับไปกับพวกเขาด้วยน้องชายเพราะคุณเองก็มีภารกิจร่วมกระทำอยู่กับพวกเขาเหมือนกันต่างกับคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอีกสองวันเต็มๆของการเดินทางหนักอย่างที่เรียกว่ามหาโหดเพราะเป็นการไต่เขาลดระดับลงไปอีกลูกแล้วลูกเราระพินไปเดินนาอยู่เบื้องหน้าเหมือนเคยกลางวันร้อนจัดจนแทบจะหมน เ, เรียแรง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 แหล e ลิบลิวห่างไกลออกไปก็เป็นยอดสูงสูงต่ำาๆของทิวเขาที่ล้อมอยู่รอบด้านเมื่อถึงตำแหน่งที่พักไม่ว่าจะแห่งใดคีดพยายามที่จะนำวิทยุเครื่องใหญ่ออกมาทดสอบผลยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมคือไม่มีวี่แ ว, ววว่ามันจะรับสัญญาณใดๆได้เลยแม้แต่คลื่นของอากาศเงียบกริบทั้งท้งที่วิทยุตัวเล็กแบบมือถือของแต่ละคนใช้งานได้ดีแล้วทั้งสิ้น เราเห็นจะต้องเดินไปจนถึงหนองน้ำแห้งด้วยกันแล้วละ่ะเบลอนุชาผู้เดินคอยระวังอิสเบลอยู่ในระหว่างที่ไต่กันอยู่บนสันเขาอีกลูกหนึ่งบอกขึ้นพร้อมทั้งยิ้มให้กำลังใจซึ่งขณะนั้นแม่ผมแดงเปลี่ยนโชคไปด้วยเหงื่อเหมือนอาบน้ำจนกระทั่งทุกสัดส่วนของร่างกายเป็นรูปรอยขึ้นอย่างเด่นชัดซึ่งทุกคนก็ล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมด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 แต่ขากลับเห็นจะตกเขาตายเสียก่อนกระมังพี่กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวฉันไม่หรอกนาะไม่มีใครยอมให้คุณตกเขาทำอะไรสักอย่างซิเบลให้มันดูคึกคืนร่าเริงขึ้นนับวันยิ่งเดินเรายิ่งเงียบเงาลงไปทุกทีพี่กลางจะให้ฉันทำอะไรเป็นต้นว่าร้องเพลงขึ้นมาสักเพลงเป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนคุณร้องเพลงเก่งออกเบลเป่าลมออกจากปากพรูใหญ่ เหลือกตาขึ้นไปเบื้องบนถ้าฉันร้องเพลงขึ้นมาว่า The hills are alive with the sound music แล้วก็อีกหลายคนคงนึกอยากจะผลักฉันให้ตกเขาเร็วยิ่งขึ้นไปอีกกระมังคะเพราะผูเขาเหล่านี้ไม่สามารถจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะมีดนตรีมาขับกล่อมสักขนาดไหนรู้จักเพลงนี้ไหม A happy wanderer หรือนักเดินทางผู้มีความสุขนะ่ะ แต่ฉันไม่รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนบทเพลงนั้นเลยนี่คะก็คิดเสียว่าคุณกำลังมีความสุขซี I love to go a wandering along the mountain track and as I go I love to sing my n a p s a c k on my back เบลพึมพัเพลงนั้นออกมาเบาๆอนุชาตบหลังหล่อนอย่างเป็นกำลังใจให้แล้วร้องบอกว่าร้องดังๆร้องให้เต็มเสียงเลยเบล I love to wander by the stream that dances in the sun so joyfully It's called to me, conjoint happy song. คราวนี้เบลตะโกนร้รองกล้องขึ้นมาเต็มเสียงกระแสเสียงแห่งเพลงของหล่อนดังกล้องกังวลไปทั่วท่ามกลางความเงียบสงบนั้นปลุกประสาทอันกำลังขมิงเกลียวเครียดของทุกคนขึ้นพวกที่เดินไปข้างหน้าพากันหันกลับมามองหล่อนและพวกที่เดินตามหลังก็หูพึ่งจ้องมาที่หล่อนเป็นตาเดียวเบลบวกมือกับทุกคน ชั ย, ยันผู้เดินอยู่ข้างหน้าร้องฮุเร่ขึ้นแล้วเริ่มร้องเพลงนั้นไปพร้อมกับหล่อนด้วยพร้อมกับโบกหมวกให้ทุกคนร้องตามคริสกับดารินผู้เดินอยู่เบื้องหน้าแบตนี้พ่อนฝีเช้าลงมาเพื่อมาร่วมกลุ่มกับเบลคีตและสเตนลีเริ่มยิ้มออกมาเฉยฐานนั้นหันมาชูหัวแม่มือให้แก่ทุกคนเป็นการเชียร์ให้ให้กำลังใจ เชิดวุดเดินตามเข้ามากอดคอเบลไว้เดินร้องเพลงไปด้วยกันแล้วทุกคนยกเว้นพวกพรานพื้นเมืองลูกหาบและระพินผู้เดินอยู่เบื้องหน้าก็ร้องเพลงนั้นขึ้นพร้อมๆกันเป็นเพลงหมู่ในจังหวะของการเดินหรือเพลงมาร์ชก็หึมกล้องไปทั้งขุนเขา I wave my hat to all I met, and they were back to me, and blackbirds, call so loud and sweet from every greenwood tree. High overhead, the skylarks wing; they never rest at home, but just like me, they love to sing as over the world they roam. Oh, may I go a wandering, until the day I die. Oh, may, I always laugh.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 ภายหลังจากเงียบเหงาเคร่งเครียดกันมาเป็นเวลาช้านานแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังคงนำรุดหน้าไปอยู่เช่นนั้นเพราะสุดทางเทลาดอันยาวเหยียดรับเหลี่ยมของหินก้อนใหญ่ที่บังอยู่ด้านหน้าร่างของพรานใหญ่ก็หยุดอยู่กับที่และวิทยุบอกมาทางพรรคพวกด้านหลังว่าข่าวดีครับทุกญ้าในระดับพื้นราบกาลังปรากฏอยู่ข้างล่างนี้แล้ว มันกว้างใหญ่และราบเรียบราวกับเป็นลานบินส่วนที่ห่างลิบลิสุดสายตาออกไปโน้นคือดงดิบเขียวชะอุ่มทีเดียวเมื่อทุกคนรีบรุดมาถึงยังตำแหน่งที่ระพินยืนคอยอยู่นั้นก็ปรากฏว่าทิวทัศน์ภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นอยู่เบื้องล่างตรงตามที่นายพรานใหญ่วิทยุมาบอกทุกอย่างเฉพาะบริเวณตีนเชิงอันจะเป็นหนทางที่ไต่ลงไปด้านนั้นก็มีละเมะไม้เล็ก กระจายกันอยู่เป็นหย่อมหย่อมต้นไม้สูงใหญ่นักและกลางทุ่งลิบลิออกไปเหล่าสัตว์ป่าประเภทกินหญ้าเป็นอาหารหลายสายพันุ์หลายชนิดยืนและลิมเบียแตกระบาดและต้นไม้เตี้ยเตียที่ขึ้นอยู่ประปลายเป็นพุ่มเป็นกออันอยู่ทั่วๆไปทั้งหมดพากันยิ้มออกมาได้โดยเฉพาะพวกพรานพื้นเมืองและพวกลูกหากระโดดโลดเต้นชัยโยโห่ร้องลั่นเฮ้ แบบนี้ก็มีทางจะถึงบ้านแล้วสิโว้ยฮ่าแต่เท่าบุญคำแหกปากลั่นออกมาอย่างลืมตัวแล้วชี้ชวนให้ลูกน้องทั้งหลายดูไปยังฝูงสัตว์ป่าอันประกอบไปด้วยฝูงวัวแดงปูปรีและเก้งกว่างที่พากันเดินจำหมู่กันอยู่อย่างสบายตามธรรมชาติของมันแปลกมากแปลกจริงๆนี่เราตัดทางผ่านนรกดำออกมาได้ยังไง เพียงระยะเวลาการเดินเพียงชั่วอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเราผ่านนารกดํามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เคยมีปรากฏมาก่อนเลยเชิดถ่ายยกมือขึ้นขยี้ตาพึมพามองมาอย่างสุดที่จะอัศจรรย์ใจอนุชานั้นใช้กล้องส่องทางไกลส่งมองไปรอบๆแล้วเม้มริมฝีปากแน่นไม่พูดจาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ตบไหล่ระพินหนักหน่วงแล้วยกหัวแม่มือชูให้ ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดยกเว้นคริสก็พากันพูดแซดอย่างปิติยินดีโดยสภาพของป่าและฝูงสัตว์ที่แล่เห็นลงไปข้างล่างนั้นเตือนสานึกทุกคนได้เป็นอย่างดีว่ามันน่าจะผ่านพ้นเขตอันแสนจะสาหัสทุระกันดานของนรกดำออกมาแล้วโดยไม่ได้แผ่วผานผ่านพบเลยในเที่ยวขากับนี้มันเป็นการเดินลัดตัดทางมาได้อย่างอัศจรรย์ที่สุด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 ส่งกระแสจิตไปสักการะต่อมหาฤิษีโกธัญะพระศิวเทพและพระศรีมหาอุมาเทวีต่อมาก็ลืมตาขึ้นตามเดิมพร้อมกับสูตรลมหายใจลึกกระแสลมบาบอันสดชื่นกระไอของทุ่งหญ้าและป่าทึบเบื้องล่างช่วยพลิ้วมาสัมผัสกายทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าผิดแพกไปกับสภาพของอากาศที่ผ่านพ้นมาแล้วต่อมาเขาปลดไรเฟลิลออกจากไหลที่สะพายอยู่ ขยับลุกเลื่อนขึ้นลำแล้วชูปากลำกล้องขึ้นท้องฟ้าทุกคนมองเห็นอาการนั้นแต่ก็พากันหยุดนิ่งมองมาที่เขาเป็นตาเดียวโดยไม่มีใครเอ่ยถามหรือขัดจังหวะใดๆทั้งสิ้นต่างเห็นจอมพลสะกดกั้นลมหายใจนิ่งแล้วไรเฟิลขนาดจุด 4-5-8 ในมือของเขาที่สงบเสียงมาเป็นเวลานานก็แผดกึกกล้องสถานสะเทือนขึ้นสนั่นวันไหวพุ่งกระสุนสู่ท้องฟ้า กำปนาดของเสียงไรเฟิลล่าสัตว์ใหญ่ดังสะท้อนไปทั่วทั้งขุนเขาและทุ่งหญ้าเบื้องล่างบรรดาจตุระบาดสัตว์ที่หากินอยู่เป็นกลุ่มพากันเชิดหัวตื่นขึ้นและมีอาการเหมือนจะตโกนกตกใจเพียงชั่วขณะเมื่อกังวานเสียงของมันได้กลืนหายไปกับคลื่นอากาศพวกมันเหล่านั้นก็พากันก้มลงและเลมหญ้าและพืชพันตาต่อไป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 ก็กระชากลูกเลื่อนดึงปลอกกระสุนออกทิ้งยัดนัดใหม่เข้ารังเพลิงแล้วลดนกลดปืนลงมาถือในท่าปกติปลดกระติงน้ำออกมาดื่มเป็นครั้งแรกของวันนี้สีหน้าของเขาแลออกชัดว่าปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นมาเป็นอันมากรพินนี่แปลว่าเราใกล้จุดหมายปลายทางของเราเข้ามาแล้วหรือนี่สเตลลีเอ่ยถามขึ้นอย่างแผ่วเบาดวงตาเป็นประกาย ชวิตชัยุติดต่อของคุณยังใช้การไม่ได้แต่ยังไม่มียานพานะทางอากาศมารับพวกคุณไปอย่างช้าไม่เกิน8ปดถึง1ิวันพวกคุณจะได้มีโอกาสได้นอนพักที่บ้านหนองน้งนำแห้งของผมเขาตอบยิ้มยิ้มด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคงเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไปได้ยังไงในเมื่อขามาเราต้องใช้เวลากันนานนับเดือ น, อนในคิดร้องออกมา มันจะต้องเป็นไปได้และมันได้เป็นไปแล้วขามานายเดินมาโดยราพินไพรวันเป็นผู้นํามันก็ลําบากและใช้เวลามากแต่ขากลับนายกลับโดยเส้นทางกําหนดของพระศิวเทพซึ่งมีบัญชาสั่งมาผ่านทางจักรราชบอกแค่นี้หวังว่าคงไม่ต้องอธิบายมากและขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกนายทุกคนด้วยเพราะพระองค์ก็มีส่วนช่วยเหลืออยู่ด้วยเหมือนกันฝ่ายอเมริกันทั้งหมดอ้าปากค้าง พากันตะลึงไปหมดยกเว้นคริสคนเดียวที่ถอนใจลึกรอบศพตาราพินและยิ้มออกมาน้อยๆหล่นดูเหมือนจะเป็นคนเดียวในฝ่ายอเมริกันที่เข้าใจอะไรต่ออะไรดีที่สุดและไม่มีปากคําใดๆทั้งสิน้นต่างกับเบลและดารินที่จับมือกันแน่นด้วยความตื่นเต้นและพูดกันแทบฟังไม่ได้สับใต้ชะงนหินใหญ่เชิงเขาลูกนั้นเป็นกาหนดพักสาหรับคืนนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพิงที่ยืน่น แทนหลังคาออกไปเบื้องหน้าและเป็นละม้อไม้เล็กๆปร่มตาพลังสุมกองไฟกันหนาวและกันสัดร้ายในเวลากลางคืนและรับประทานอาหารมื้อค่ำเสร็จแล้วระหว่างที่ทุกคนยังนั่งสนทนากันอยู่คริสตินาก็ออกไปนั่งเข้าสมาธิอยู่หน้ากองไฟบริเวณปากเพิงถ้ำเหมือนเช่นหลอได้ปฏิบัติในทุกครั้งเมื่อมีการหยุดพักเรมราตรีประมาณสองทุ่มเศษ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 บอกเร็วปรือแทบจะลิ้นพันกันว่าครูมากับฉันเดียวนี้เลยค่ะหล่นพูดเพียงแค่นั้นและไม่ยอมฟังเสียงว่าเขาจะร้องถามเช่นไรได้จับข้อมือเขาแน่นไว้ตามเดิมเช่นนั้นฉุดให้เดินตรงเข้ามาอย่างพักพวกที่กำลังจะเตรียมนอนกันอยู่พอก้าวเข้ามาถึงหล่นก็ละลัมละ ล, ะ ล, ะละักบอกไปทางนายคิดซึ่งกาลังพูดคุยอยู่กับอนุชาและเชิฐาว่าคิดเร็ว เดี๋ยวนี้เลยจัดการเอาวิทยุรับส่งเครื่องนั้นของเราออกมาเปิดทดลองเครื่องทุกคนได้ยินเสียงที่หล่อนพูดพากันหันขวับมามองอย่างแปลกใจไปหมดตัวในคิดเองอ้าปากหัวยังไม่ทันขยับเขยื้อนเสียงหล่อนบอกกลัวเร็วปรือมาอีกว่าบอกว่าให้ลองเอาเครื่องวิทยุรับส่งเดี๋ยนี้ไงไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือไงอีเกิดอะไรขึ้นนี่คริสเธอเป็นอะไรไปแล้ว คิดร้องลั่นออกมาฉันไม่ได้เป็นอะไรปรกติดีทุกอย่างนี่แหละแต่ขอบอกว่าให้เธอเอาวิทยุของเราเครื่องนั้นออกมาฉันรู้สึกว่ามันน่าจะใช้การได้แล้วเฮ้ย <Hey! S 1> พวกผู้ชายเกือบทั้งหมดอุทานลั่นออกมาเป็นเสียงเดียวกันหมดคริสไม่รอช้าอีกต่อไปเมื่อเห็นเพื่อนชายอันชมหน้าที่พนัก ง, งานวิทยุในการเดินทางมาครั้งนี้ยังมัวแต่จ้องตาลึงตาค้างอยู่ตัวหล่อนเองก็คว้ามือระพินพุ่งปราดไปยังกองสัมภาระ อันเป็นตำแหน่งที่เก็บวิทยุรับส่งเครื่องนั้นโดยเร็วเมื่อนั้นเองนายคริสจึงกระโดดผุงเข้ามาฉันไม่เข้าใจเลยอะไรกันนี่คริสอธิบายให้เข้าใจหน่อยสิว่าเธอบ้าอะไรขึ้นมาถึงคิดว่ามันจะใช้การได้ขึ้นมาแล้วธนาเชื่อฉันเถอะลองดูมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาบอกฉันว่าวิทยุของเราใช้การได้แล้วโอ้ oh my god นายคริสทำตาเหลือกแม่ผมทองไม่พังเสียงมาเห็นคริส ยางงุ่ม ง, ง่ามอยู่หล่อนก็กระวีกระวาดลงมือแก้ห่อพลาสติกออกโดยเร็วเมื่อนั้นเองคิด จ, จึงเข้ามาช่วยและขณะนั้นเองอิสซาเบลดารินสเตลลีเชษฐถาชัยยันอนุชาและเชิดวุฒิก็พากันลุกฮือเข้ากันมาบอกผมหน่อยซิคริตเชษถาถามขึ้นอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าวิทยุ ข, ของคุณเครื่องนี้จะใช้การได้ขึ้นมาก็ oh, ฉันเห็นนี่นะเห็นโยก เห็นเดี๋ยวนี้เองพระอาจารย์องค์จักรราสด็จมาประทับยืนอยู่ตรงหน้าฉันและทรงรับสั่งกับฉันว่าวิทยุใช้การได้แล้วฉันต้องการจะรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือภาพหลอนในระหว่างที่ฉันเข้าสมาธิอยู่ฮะคุณเห็นองค์จักรราสด็จมาประทับยืนอยู่ตรงหน้าและรับสั่งกับคุณเช่นนั้นหรือระพินขมวดคิ้วใช่ฉันเห็นอย่างแจ่มชัดที่สุดแม้จะหลับตาก็ตามเพิ่งจะเห็นพระองค์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เราจากมรกรนครมาพระสุรเสียงยังก้องกังวานอยู่ในหูฉันจนกระทั่งเดียเยเเเด๋ยวนี้เลยเอาละเราจะพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้เลยจะเย็นๆคริสสเตลลี่กล่าวมาแล้วบงการให้คริสจัดการกับเครื่องวิทยุในระหว่างที่ทุกคนพากันมามุงล้อมดูอยู่อย่างตื่นเต้นระคนลประหลาดใจยิ่งทันทีที่คริสจัดการชักสอากาศออกไปเต็มที่ และเพียงแค่เปิดสวิตช์ขึ้นมาเท่านั้นเองเสียงคลื่นอากาศก็ลั่นโครกครากวีดวิวขึ้นมาในทันทีฝ่ายอเมริกันทั้งหมดแทบกระโดดตัวลอยร้องออกมาพร้อมกันพระโวคิดขณะนี้แทบไม่หายใจรีบปรับจูนเครื่องในทันทีมือเป็นระวิงไปหมดปากก็พร่ำอยู่ว่าสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราแล้วขอบคุณพระเจ้าให้มันได้อย่างนี้ซิวะไอลูกชาย เองมันบอดใบไปนานแสนนานแล้วดังสิโว้ยดังขึ้นไปถึงพ่อของเองบนฟ้าน่นคม่อนสั้นเสียงคลื่นอากาศที่ลั่นอู้สู้ซ่าขึ้นนั้นเริ่มลดน้อยลงเป็นลำดักจนกระทั่งมันเงียบสนิทแล้วฝ่ายไทยทุกคนก็เห็นคิดคว้าไม่ขึ้นมากดขี่กรอกคำพูดที่ทุกคนฟังไม่รู้เรื่องลงไปทีๆซ้าๆกัน H1H h 1ค o H h 1ค o From Spirit did you hear me son of a bitch over อันนึ่งมาจากคิดคงเปิดวูลลมปรับ ป, ปุ่มปรับขยายเสียงไว้เต็มที่เสียงจึงดังก้องออกมาจากลำโพงจนทุกคนพงงังหะว่า Spirit t o Spirit 2, from H H 1 comet over yippee เสียงของในคิดแหกปากออกมาลั่นพร้อมกับหัวเราะออกมาเหมือนคนเสียสติสเตลลี่ยืนตัวแข็งอิซาเบลร้องกรีตออกมาอย่างดีใจขีดสุด เชือดวุดหน้าแดงกำ่ำส่วนคริสติน่ามมริมฝีปากแน่นน้ำตาคลอเอากำปั้นชุบลงไปบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งของหลอนแล้วส่งมือให้ระพินจับจอมมักคุเทศเป่าลมพูออกจากปากจับมือกับคริสเขย่ยอยแรงๆอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานในขณะที่ดารินกระโดดเข้ามากอดคริสไว้จูบแก้มโดยแรงร้องอะไรออกมาฟังไม่ได้สับฝ่ายไทยทั้งหมด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 อีกแล้วโว้ยเสียงตะคำเป่าประกาศกล้องพร้อมกับหัวเราะห้าห้าตบมือตีตีนอย่างดีอกดีใจยกใหญ่บตบนี้คิดยังทำหน้าที่ติดต่อกับสถานีอวกาศอยู่อย่างเร่งด่วนเร็วปรือเสียงครั้งต่อไปเป็นการสบัดสาบานด่าพ่อล่อแม่ขมูงโฉงเฉงไปหมดเอตโรไปทั้งบริเวณเพิงผาที่พักนั้นทุกคนกำลังอยู่ในภาวะตื่นเต้นยินดีขีดสุดรพินไพรวันถอนใจยาวออกมาอย่างปลอดโปรงโล่ ง, ลองอกเป็นที่สุด แบบนี้เขามีความรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาออกจาก อ, อกแล้วหลีกตัวออกจากที่นั่นมาอย่างสงบในระหว่างที่กลุ่มเจ้านายทั้งสองฝ่ายของเขากำลังชุลมุนอยู่ที่เครื่องวิทยุเครื่องนั้นคีดยังคงวุ่วายได้อดอึงสนันวันไหวอยู่เช่นนั้นสุดตัวลงนอนศีรษะพิงย่ามหลังค่อยค่ควักบุหรี่ออกมาสูบแล้วหลับตาลงอย่างอ่อนเพลียขณะนั้นเองก็รู้สึกว่าถูกโถมเข้ากอดโดยแรงพอลืมตาขึ้นมาก็เป็นแม่ดอกฟ้าดารินของเขา กำลังกอดแน่นในลักษณะที่ตัวเองลงนอนพังภาพอยู่เกลือกใบหน้าไปมากับสวงอกเขายอดชายในพรานของฉันในที่สุดคุณก็ทําได้สําเร็จหมดทุกอย่างแล้วฉันไม่รู้จะภูมิใจในตัวคุณยังไงอีกแล้วรู้ไหมรู้ไหมไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นยังพเผยากายขึ้นจูบแก้มอันเต็มไปด้วยคราเขียวคลึ้งของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างหนักหน่วงรุนแรงจมมกคุเทศใช้แขนอีกข้างหนึ่งโอบกอดยอดรักของเขาไว้แผ่วเบา มือลูปอยู่ที่เส้นผมของหล่อนถ้าผมจะตายผมก็ตายอย่างตาหลับแล้วครับคุณหญิงความสำเร็จของผมทุกอย่างขอยกไว้ให้แก่ยอดรักของผมคนเดียวเพราะเป็นจุดบรรดาลใจเป็นพลังใจให้ผมในทุกด้านจะไม่มีรับพินภัยวันในวันนี้เหลืออยู่ถ้าคุณหญิงไม่ตามผมมาหรอคะเอะอดีใจจังเพราะยอดชายของฉันแต่ดูเหมือนคุณจะอิดโรยอ่อนเพลียเหลือเกินวันนี้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 ดารินสรนหน้าเอานิ้วชี้เขี่ยปลายจมูกเขายังคุณจะต้องตามหาลูกชายของฉันให้พบเสียก่อนถึงจะหมดหน้าที่โดยบริสุทธิ์ใสสะอาดที่สุดลูกชายของคุณหญิงก็เจ้าด้วนของฉันยังไงล่ะถ้าคุณยังเอาเจ้าด้วนมาให้ฉันไม่ได้ฉันก็ต้องเคี่ยวเขียนคุณต่อไปแหมงานเล็กเหลือเกินนะคะรายการนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นและไม่ต้องกลัวเหนื่อยเพราะฉันจะเหนื่อยกับคุณด้วยถ้าจําเป็นจะต้องเหนื่อยสําหรับงานนี้ รับพินยิ้มไม่ตอบว่ากระไรแต่เอามือตบที่หลนตาพวกของหล่อนค่อนข้างแรงจนราชสกุลสาวอุทานอ้าวออกมาเงาของใครคนหนึ่งเคลื่อนเข้ามาคุกเข่าอยู่ข้างๆทั้งสองซึ่งกำลังกอดตระกองกันอยู่รับพินเห็นเงาผมสีทองแล้วแต่ไม่สนใจดารินหันไปทักยิ้มยิ้มทั้งที่ยังนอนซบอกระพินอยู่ว่ามีข่าวดีแล้วใช่ไหมคริสค่ะ ข, ข่าวดีมากๆเสียงนุ่มอ่อนโยนดังแผ่วตอบมา โปรดอย่าได้คิดว่าฉันเข้ามาขัดจังหวะคือขณะนี้ข้างบนก็ถามพิกัดของเราลงมาซึ่งเราตอบเขาไม่ได้กลับไปบอกพวกคุณทุกคนน้องสาวจอมมักคุเทศก็ตอบมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกรุณาเช่นกันว่าอย่าเพิ่งรบกวนอะไรผมในเวลานี้เลยให้คิดเขาด่าพนักงานวิทยุบนหอบังคับการลอยนั่นให้พอสก่อนดีกว่าถึงบอกไปเวลานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเวรอให้ตะวันขึ้นซะก่อน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 มันเป็นเวลาบ่ายของวันที่แดดร่มครึม้มและลมสงบที่สุดกลางท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาล ร, รอบด้านไม่ห่างจากตำแหน่งที่พักนอนเมื่อคืนที่แล้วออกมาไม่เท่าใดนักตะวันแฝงเข้าเงา เ, งาเมฆทึบมาเป็นเวลานานแล้วและดูไม่มีทีท่าว่าจะโผู่พ้นเมฆออกมาทั้งสองฝ่ายยืนประจันหน้าแลตากันอยู่ด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบรรยายได้เบื้องหลังของสเตลลี่คีดอิสเบลคริส และเชิดวุดิห่างออกไปไม่เกิน50เมตรเครื่องบินที่ขึ้นลงในแนวทางดิ่งสีเทาไม่มีเครื่องหมายสัญชาติจอดเป็นแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังมีทหารสองคนในเครื่องแต่งกายชุดคอมมอดยืนเอามือคว่ยหลังรออยู่ยังบันไดาทางขึ้นที่ทอดจากลำเครื่องลงมายัางพื้นเบื้องล่างและห่างไกลออกไปอีกทางด้านซ้ายมือเป็นกองไฟสัญญาณขนาดใหญ่ที่ยังส่งควันกลุ่นขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่บัด น, นี้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 ที่เข้ามากล่าวคําอำลาฝ่ายที่จะเดินทางกลับด้วยเทา้าซึ่งเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วอย่างชนิดที่ตลอดทั้งชาตินี้ต่างฝ่ายต่างจะไม่มีวันลืมเลือนไปจากความทรงจํำเลยเดียวทุกคนของฝ่ายที่รับภารกิจมาปฏิบัติงานรับได้เข้าไปร่าลาเพื่อนร่วมตายทั้งหมดและได้เข้าไปกล่าวลาแม้กระทั่งเจ้ากะเรี่ยงอูทะและพัโต้ซึ่งแม้จะเป็นเพียงแค่ลูกหักปลายแถวที่สุดทั้งอุทะและพัโต้ก็ยืนตาแดงอยู่ด้วยความอาลัยรัก ยามเมื่อนาทีสุดท้ายมาถึงฝ่ายอเมริกันทั้งหมดก็ถึงกับสะอึกสะอื้นตะลึงตะเลยไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้ชั่วขณะเมื่อเข้ามายืนเผชิญกับจจมพลานผู้นำทางและคณะของเชิดถาทั้งหมดอันประกอบไปด้วยอนุชาชัยยันดารินได้แต่มองตาซึ่งกันและกันไปมาขอหอยตีบตันไปหมดในที่สุดหัวหน้าคณะอเมริกันผู้อาวุโสที่สุด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 ที่ทำให้เราต้องแยกจากกันก่อนในลักษณะเช่นนี้ผมขอพูดสั้นๆแต่เพียงว่าพวกเราจะไม่ลืมพวกคุณทุกคนและหวังว่าพวกคุณก็คงจะไม่ลืมเราเช่นกันเชษถาราพินและทุกๆคนของฝ่ายไทยยิ้มให้นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดดรสเตอร์ลคีตอิซาเบลเชิร์ตวุดและคริสเราขอให้พวกคุณทุกคนไปดีเดินทางโดยสวัสดิภาพและไม่ต้องห่วงกังวลกับพวกเราด้านนี้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 หัวหน้าคณะอเมริกันก็ใช้มืออีกข้างนึงตบต้นแขนจอมพรานอย่างหนักหน่วงเกรตแมนในอาณาจักรป่าดงพงไพรแล้วไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าคุณได้ในโลกนี้ผมประทับใจในทุกสิ่งทุกอย่างของคุณโชคดีครับดรสเตลลีจอมมักคุเทสสัมผัสมือแล้วก้มศรีรษะให้คนต่อไปคือพลเอกคีตเขาได้จับมือลาเรียงหน้าตามลำดับไปพอมาถึงรพิน ขณะที่สั่นมือกันคีดก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะไอ้เสือและขอถือโอกาสนี้ขอโทษนายด้วยหากฉันจะมีอะไรที่เคยล่วงเกินนายไปแล้วสบายมากไม่ต้องคิดอะไรให้เป็นปัญหาข้างค้างระพินภัยวันคือเพื่อนของนายในวันนี้และวันข้างหน้าถ้าวันข้างหน้ายังมีสำหรับเราอีกโชคดีคีทคีทหัวเราะในขณะที่ขอบตาแดง แล้วถอยกลับเข้าไปไประจำแถวตามเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้าร่ำลาอิสซาเบลเป็นบุคคลที่สามซึ่งก้าวเข้าไปยังแถวของฝ่ายเชิดถาสีหน้าอาการของหล่อนบอกถึงความดีใจกึ่งอาลัยระคนกันความช่างพูดของหล่อนหมดสิ้นไปสำหรับวันนี้นอกจากเข้าไปจับมือและกล่าวคำอำลาด้วยเสียงอันสั่นเครือต่อทุกคนเท่านั้นเฉพาะที่ดาริงแม่ผมแดงได้กอดและจูบโดยแรงครั้งหนึ่ง ซึ่งดารินก็จูบตอบกระซิบให้พลและเมื่อมาถึงระพินหล่นถอนใจเฮือกยิ้มแล้วบอกว่าไยวันคุณเป็นสุภาพบุรุษนักสู้ที่ฉันไม่เคยพบเห็นจากใครที่ไหนมาก่อนขอให้ชีวิตต่อแต่นี้ไปของคุณจงมีแต่ความสุขและอย่าลืมทักฉันบ้างสมมุติว่าคุณไปพบฉันที่ไหนผมจำคุณได้เสมอเบลขอให้พระเจ้าทรงประทานพลที่ดีให้แก่คุณและคุ้มครองคุณตลอดไป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 ได้กล่าวคำอำลาเพียงสั้นๆกับแต่ละคนที่หล่อนเดินจับมือผ่านมาเมื่อมาถึงดารินหล่อนได้โอบกอดและจูบแผ่วเบาเธอโชคดีมากแล้วน้อยและขอให้โชคดีต่อไปฉันขอลาก่อนคริสเธอคงไม่เปลี่ยนความตั้งใจเดิมเสียนะแม่ผมทองยิ้มเย็นไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเสียได้เพราะผู้เป็นเจ้าเรียกร้องฉันแล้วในวิถีทางของพระองค์ แล้วหล่อนก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้ารพินระหว่างสัมผัสมือกันอย่างปกติธรรมดาจอมพรานสัมผัสได้ถึงฝ่ามืออันเย็นซีดของแม่ผมทองได้ชัดขอให้สันติสุขจงเกิดขึ้นในดวงใจและวิถีชีวิตของคุณตลอดไปคริสรพินเอ่ยขึ้นก่อนอย่างเช่มช้ า, ช, าชัดเจนค่ะ ข, ขอบคุณครูมากขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูทาให้แก่ชั้นและพวกเราทุกคนและข อ, อหวัวกรรมให้ด้วย โดยแท้จริงคุณไม่ได้มีกรรมใดๆไว้กับผมเลยแต่ผมก็ยินดีที่จะเอาโหสิเพื่อให้ชีวิตในเพศสมณะของคุณสะอาดหมดจดอย่างแท้จริงทางสวรรค์เปิดให้แก่คุณแล้วน้องสาวแฟเวลหล่อนกระซิบแฟเวลระพินพยักหนา้าเอ่ยตอบคริสถอยกลับเข้าไปยืนอยู่ในแถวตามเดิม แล้วบัดนั้นทุกคนของฝ่ายอเมริกันก็ยกมือขึ้นวันทะยหัดทำความเคารพอลํารลาฝ่ายของเชียร์าทุกคนวันทะยหัดตอบพร้อมกันหมดเสียงสั่งการของคิดแบบวินัยทหารก็ปรากฏขึ้นโดยให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างหันหลังกลับและออกเดินตรงไปที่เครื่องบินที่จอดรออยู่ในทันทีนั้นทั้ง5้าคนเดินเป็นแถวหน้ากระดานห่างไกลจากฝ่ายที่เป็นฝ่ายจับตามองดูออกไปตามลำดับจนกระทั่งไปถึงบันไดเครื่อง กลุ่มอเมริกันหันกลับมาโบกมืออำลาเป็นครั้งสุดท้ายฝ่ายของเชียด์ถาและอัลพินตลอดพวกพลานพื้นเมืองและลูกหาดทั้งหมดก็บวกมือตอบเงียบๆหลังจากนั้นทุกคนก็ทยอยขึ้นบันไดเครื่องรับกายหายขึ้นไปจนหมดบันไดที่ทอดต่ำลงมานั้นถูกเลื่อนขึ้นจนรับหายต่อมาประตูก็เคลื่อนปิดด้วยไฮดรอลิกเครื่องที่ติดกระหึมรอคอยอยู่ก่อนแล้วทวีเสียงคำราม ดังหนักขึ้นเป็นลําดับค่อยๆ ย, ยกลําตัวสีเทขนาดเขื่องประดุดเงาปีศาจของมันลอยขึ้นในแนวตรงช้าๆไม่ผิดอะไรกับการยกตัวของเครื่องคอปเตอร์ทุกคนของฝ่ายข้างล่างเหยนมองตามดูโดยไม่กระดุกกระดิกอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งมันลอยตัวขึ้นไปได้ระยะความสูงอันเหมาะสมเครื่องบินจารกรรมลำนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัดอากาศไปข้างหน้าใบาหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้เสียงมันแผดสะเทือน สนันวันไหวและชั่ววิบตาเดียวก็หายลับไปกับตาคงทิ้งทางสีขาวเป็นเส้นดุดสายหมอกไว้อย่างท้องฟ้าด้านหลังระพินไพรวันหลับตาลงพร้อมกับถอนใจยาวออกมาอย่างปลอดโปร่งที่สุดบัดนี้ภา ร, ระหน้าที่ทั้งปวงของเขาหมดสิ้นลงแล้วใบหูแว่วเสียงเจ้าเจ้าหัวร้องและเสียงพูดวิพากวิจารของพวกพานพื้นเมืองกับพวกลูกหาดอื้ออึงไปหมด รวมทั้งเสียงพูดจากันเองสับสนไปหมดในบรรดาพวกเจ้านายเก่าของเขาต่อมาก็รู้สึกว่าตนเองถูกเข้ามารวบตัวและแบกยกลอยขึ้นโดยพวกลูกศิษย์ทั้งสี่คนบุญคันจันเกิดและเสยพาเขาแบกไปรอบๆ บ, บริเวณนั้นมีเสียงแหลมของตาคำแหกปากตะกวนออกมาเชโยนายกูเป็นอิสระแล้วโว้ยไม่ต้องเป็นขี้ข้าคอยรับใช้ใครอีกต่อไปหมดเรื่องหมดเคราะห์ไปเสียทีฮ่าฮ่าา แล้วเสียงเจ้าเกิดซึ่งนานๆจะทะลึ่งสักทีก็โหเหมือนตอนบวชนากพวกลูกหาบทั้งหลายก็ตีเกาะเคาะไม้เอาพลุของอเมริกันที่เหลือทิ้งไว้ให้ยิงขึ้นไปแตกอยู่บนท้องฟ้าเป็นที่สนุกสนานร่าเริงปีติใจกันโดยทวนน่วแน่ขบวนเดินป่าทั้งขบวนเกือบจะกลายเป็นขบวนกองยาวไปแล้วเสียงมงถถงมง้งโหฮิวดังลั่นไปหมดติดตามมาด้วยเสียงเจ๋วๆของตาคำที่ร้องว่า มีมะกรูดมะแลกมะนาวมีน้องสาวมะแลกน้องเขยเอาวะเอาเวย้ยน้องเขยชื่อระพินตะละลาแล้วก็มีเสียงหัวเราะแหลมชอบใจของดารินปมมือเชียร์อยู่เสียงผสมโลงของชา ย, ยันดังมากับเขาด้วยเหมือนกันอึงคันึงไปทั้งบริเวณทุ่งโล่งนั่นปืนลูกซองของพรานพื้นเมืองอีกหลายกระบอกก็กระเบิดโป้งเป้ง ข, ขึ้นไปบน อ, อากาศดูเป็นที่คลึกคลื่นกันไปหมดทั้งขบวนที่เหลืออยู่ เฉพาะพวกคนไทยล้วนๆกับพวกลูกหาบชาวเขารวมทั้งหมดแล้วสาอดคนคืนนี้เป็นคืนที่ร่าเริงแจ่มใสเป็นสุขใจสําหรับทั้งหมดทุกคนในคณะอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างร่วมสนทนาเล่นหัวกันอย่างเป็นสุขเพราะมีโอกาสได้อยู่กันตามลําพังพวกเดียวกันล้วนๆแล้วพวกลูกหาบของฝ่ายอเมริกันที่เหลือทิ้งไว้ก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนล้วนเป็นคนในหมู่บ้านหนองน้ําแห้งของระพินทั้งสิน้นส่วนอุทระพะโตอันเป็นกเกรเลียง อาสามาจากตะเคียนทองก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหล้วนพวกเดียวกันกับคณะพรานพื้นเมืองเชิถาสั่งให้เอาน้ำเมาที่บรรจุใส่กระบอกไม้ไผ่อันได้รับมาจากมรกุนครซึ่งตาคําแอบขนมาด้วยสองกระบอกใหญ่ออกมาเลี้ยงรินฉลองแจกจ่ายกันพวกลูกหาบกับพรานพื้นเมืองล่อกันเสียเมาแปรไปตามๆกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาก่อไฟขึ้นกองใหญ่หลายกองร้องราทาเพลง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 เพราะทุกคนตรหนักดีว่าการเดินทางสำหรับวันพรุ่งนี้และ ว, วันต่อๆไปนั้นมันเริ่มเข้าเขตป่านอกอันเป็นป่าธรรมดาที่เคยทำมาหากินกันมาอย่างปรุงโปร่งประดุดบ้านของตัวเองแล้วซ้ำยังไม่ต้องมีภาระอะไรที่จะต้องห่วงหน้าพวงหลังสัมภาระอันมากมายหนักอึ้งของฝ่ายอเมริกันก็ถูกปลดเปลื้องออกไปแล้วทั้งหมดเพราะพวกนั้นขนกลับทางอากาศโดยไม่เหลือทิ้งไว้ให้ต้องเป็นภาระเลย คงเหลือแต่สัมภาระจําเป็นของฝ่ายเชิดถาเท่านั้นซึ่งเมื่อพวกลูกหามทั้งคณะรวมกันแล้วยีสิบคนอันจะทําหน้าที่มาช่วยเหลือเฉลี่ยกันแบกหามก็แทบจะเรียกได้ว่าทุกคนสามารถเดินกันได้อย่างตัวปลิวจะอย่างไรก็ตามก่อนที่ฝ่ายของเชิดถาจะล้มตัวลงนอนในคืนดังกล่าวทุกคนเหลียวไปยังตําแหน่งที่พวกอเมริกันเคยนอนอยู่ก็อดที่จะว่าบิวอะไรไม่ได้มันดูเหมือนว่าพวกเขาได้ขาดเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่งไปเสียแล้ว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 หล่อนชอบทั้งดร์สเตอลีและคิดกับรู้สึกรักเอนดูเบลกับคริสเหมือนกับน้องสาวอเมริกันพวกนี้ไม่เคยทำอะไรให้หล่อนต้องระแคงใจเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความรู้สึกที่ดีแต่มักสร้างแต่ความคลึกครื้นร่าเริงให้อยู่ๆก็มีอันเป็นไปต้องแยกจากกันอย่างกระทันหันเช่นนี้หล่อนก็รู้สึกอะไรเป็นอย่างยิ่ง ตอนจะจากลากันเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี้ก็ไม่สู้กะไรนะักแต่พอตอนตกกลางคืนเหลียวไปดูตำแหน่งที่นอนเห็นว่างเปล่าไปก็รู้สึกใจหายไม่เพียงแต่ดารินเท่านั้นแม้เชษฐาชา ย, ยันและอนุชาก็ล้วนมีความรู้สึกอย่างเดียวกันทั้งสิ้นส่วนราพินจะมีความรู้สึกอย่างไรนั้นยากที่ใครจะเดาออกทั้งหมดสังเกตเห็นแต่เพียงว่าเขามีความสุขโปร่งใจขึ้น ผิดไปกว่าทุกครั้งอย่างเห็นได้ชัดเพราะไปร่วมสนุกเฮฮาอยู่กับพวกพรานพื้นเมืองของเขาอย่างชนิดไม่เคยเห็นมาก่อนยิ้มและหัวเราะออกมาได้โดยไม่ต้องมีอาการฝืนดย ร, รอยเคร่งเครียดเอางานโอาการอย่างไม่สั่งซานั้นค่อยๆผ่อนคลายลงอันทำให้ฝ่ายเชิดถาทุกคนพลอยมีความปลอดโปร่งไปด้วยถามจริงๆเถะค่ะนี่คุณไม่รู้สึกคิดถึงอเมริกันสี่คนนั่นกับเชิดวุฒบ้างเลยหรือดารินแอบถามเขาขณะเมื่อเตรียมจะเข้านอน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 นับตั้งแต่ได้มีโอกาสพบจั ก, กรราชขอพูดถึงคริสอีกสักนิดเถอะฉันดูลหล่นไม่ออกเลยตอนที่จะจากพวกเราทุกคนไปโดยเฉพาะคุณหล่นรันทดปวดร้าวใจมากแค่ไหนนะคุณรู้ไหมจอมพรานสันหัวหวเราะเบาๆไมน่มีหรอกครับไม่ต้องห่วงไม่มีอาการรันทดหรือปวดร้าวอย่างใดทั้งสิ้นหัวใจของคริสหนักแน่นราวกับหิน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 สบายครับบอกแล้ว่าไม่ต้องห่วงนอนให้หลับเสียเถิดครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปแต่จะไปกันอย่างปลอดโปร่งสบายอารมณ์แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนคงตื่นนอนกันตามปกติในเวลาย่ำรุ่งแต่ฝ่ายนายจ้างทุกคนดูเหมือนจะนอนตื่นสายเป็นพิเศษผิดไปกว่าทุกครั้งจนกระทั่งระพินต้องเข้ามาปลุกซึ่งนั่นหมายถึงตะวันเริ่มจะฉายแสงกล้าขึ้นแล้ว หลับเป็นตายเลยเมื่อคืนนี้ดูเหมือนจะหลับสนิทยิ่งกว่าอยู่ในพระราชฐานมรดกนครซะอีกอนุชาบอกกวนหัวเราะขณะที่บิดขี้เกียจอ้าปากหาวอาการของคณะนายจ้างทุกคนคล้ายจะเพิ่งลุกขึ้นจากเตียงนอนภายในบ้านของตัวเองเป็นไงตื่นนานแล้วหรอือราพิน ท่านหัวหน้าคณะร้องถามมายิ้มยิ้มเมื่อมองเห็นพานใหญ่ผู้บดี้มีศักดิ์เป็นน้องเคยของเขาคงอยู่ในชุดเสื้อผ้าระหว่างการปฏิบัติงานโดยปกติมีหมวกสักหลาดใบเก่าสวมอยู่บนศีรษะพร้อมอีกมือถือไรเฟิลผมตื่นก่อนพวกพันพื้นเมืองหรือพวกลูกหาบเสีอีกครับในป่าแล้วถ้าไม่เจ็บป่วยอะไรผมตื่นเช้าเสมอเพราะถูกฝึกมาแต่ไหนแต่ไรนี่เห็นจะออกเดินตรวจรอบบริเวณที่พักตามปกติของคุณแล้วสินะ ช ย, ยันถามมาอีกคนขณะที่ลุกขึ้นคว้ากระติกน้ำมาเทลงฝ่ามือและตกไปที่ใบหน้าราพินไม่ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มยิ้มเมื่อเชษดถาบอกให้เขาไปปลูกดารินพานใหญ่จึงเดินเข้าไปคุกเข่าข้างๆก้มลงกระซิบเบาๆว่ามันใจมาแล้วมาเอาตัวคุณหญิงจากท่าที่นอนตะแคงหลับตาพริ้มอยู่ ริมฝีปากคู่นั้นพรายิ้มแล้วตอบมาเบาๆอย่างคนที่ตื่นนอนเรียบร้อยแล้วแต่ยังทำเป็นหลับอยู่ว่าฉันไม่กลัวมันไตรหรอกถ้าหากมีอคณีรุตอยู่ข้างๆขณะนี้แต่ถ้าหากอคณีรุตเสือกใสไล่ส่งฉันฉันก็คงจะต้องบากหน้าไปหามันไตรเหมือนกันประพินจุปากเบานอนเอาเชิงอยู่นี่เองคุณหญิงตื่นลืมตาได้เสียทีแล้วครับตะวันส่องหน้าแล้ว หล่อนดึงกายขึ้นมานั่งอย่างช้าๆลืมตาพราวเจมใสขึ้นประสานมือเข้าหาแล้วดัดนิ้วลั่นกล่าวอืมจะว่าตะวันสองก้นก็พูดมาเถอะนะความจริงฉันก็ตื่นพร้อมๆกับคุณนั่นแหละเพียงแต่ไม่อยากจะลุกขึ้นมาเท่านั้นเห็นคุณเดินท่อมๆตรวจ ด, ดูอะไรอยู่รอบบริเวณเหมือนอย่างที่เคยเห็นทุกครั้งนั่นแหละไม่เคยบกพ้องต่อหน้าที่เลยนะนายพราน หน้าที่ของผมก็คือก่อนนอนหรือภายหลังตื่นนอนแต่ละครั้งจะต้องออกตรวจบริเวณโดยรอบคืบก็ป่าโสกก็ป่าเราจะมาประมาทอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะถึงอย่างไรเราก็ยังไม่ถึงบ้านเราแล้วนี่เวลาคุณกลับไปเป็นผู้คองเรือนอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วคุณจะต้องเดินตรวจอานาบริเวณก่อนนอนและหลังตื่นอยู่อย่างนี้ไหมก็ <c oughs> คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับอย่างน้อยผมก็จะต้องตรวจดูว่า ประตูหน้าต่างทุกบานปิดลงกรอนเรียบร้อยแล้วหรือยังกันไม่ให้ขโมยมันเข้ามาแหมเอาเรื่องตาผานคนนี้นี่ภรรยาของคุณคงรําคาญคุณแย่นะในเมื่องานชนิดนั้นมันเป็นงานของยามที่จะต้องคอยดูแลอยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยภรรยาคนไหนครับที่จะรําคาญผมรพินถามหน้าตาเฉยดารินลืมตาโตยื่นหน้าเข้าไปใกล้เขาขอโทษคุณมีภรรยากี่คนไม่ทราบบอกมาซิ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 กล่าเพียงแค่นั้นระพินก็แตะปีกหมวกส่งให้แกล่อนแล้วลุกขึ้นเดินผาะมาทันทีมใหญ่ที่ดาริงจะร้องเรียกเสียงแหลมมาอย่างไรผลปรากฏว่ามีก้อนดินเล็กๆปลิวมาตามหลังเฉียดหูเขาไปนิดเดียวพร้อมกับเสียงเกลี้ยวตามหลังมาว่าแหมอิตาพรานคนนี้นี่ฮึมาแบบเดิมอีกแล้วนะในเรื่องยั่วยวนโทรศะพทไปเดี๋ยวเหอะไปเดี๋ยวจะเจอลูกปืนหมวกทะลุไปอีกเท่านั้นโดยไม่ได้เหลียวกลับแต่มีเสียงบอกมาเรียบๆว่า ถ้าจะยิงก็อย่ายิงหมวกยิงให้หัวระพินทะลุไปเลยคุณหญิงจะได้เป็นไม้รู้เร็วรู้รอดไปสัทีพรานใหญ่ถูกก้อนดินอีกก้อนหนึ่งคราวนี้ไม่เพียงเฉียดแต่กระทบอย่างจังกลางหลังก้อนใหญ่กว่าเดิมเสียด้วยทำเอาหลังแอเขารีบสาวเท้าหนีโดยเร็วระพินเดินเข้าไปสั่งงานกับพวกลูกงาและพรานพื้นเมืองที่กาลังช่วยกันหุงหาอยู่แล้วต่อมาจึงเรียกตพานเท่า บุญคำเข้ามาหาเราจะมุ่งลมช้างของขยินเลยส่งมันกับอุทะพัโต้ที่นั่นจะไม่มุ่งไปทางห้วยเสียร้องแล้วเพราะทิศ ท, ทางด้านนี้จะตัดทางไปทางเขาหัวแรงบุญคำหัวร้อเห็นเหงือกนายไม่หิ้วเอาไอ้ขยินกับไอ้กะเหรี่ยงสองตัวนั้นไปหนองน้าแห้งด้วยหรอไม่จําเป็นน่ะปล่อยให้มันทั้งสามคนกลับถิ่นฐานบ้านช่องก่อนป่านนี้คิดถึงลูกเมียพวกพ้องแย่แล้วถ้ามันคิดถึงเรามันก็ค่อยตามไปทีหลังเอง ตอนนี้แวะปล่อยมันที่ลมช้างก่อนอ๋อแล้วก็ขอสั่งอีกอย่างหนึง่งขณะที่หันหลังกลับระพินทํำท่ามันจะคิดอะไรขึ้นมาได้เหลียวกลับมาชี้หน้าบอกต่อมาว่าวันนี้ก่อนออกเดินทางห้ามโหสามราห้ามเล่นเถิงอีกเมื่อวานนี้ทะลึ่งกันดีนะักเสือกร้องออกมาได้ว่ามีน้องสาวมาเล่นน้องเขยไอ้ตัวไหนนะเสียงแหลมดีนะักไอ้เกิดนายไอ้เกิดมันร้องไอ้เสยมันเป็นคนรับบุญคำเปล่าร้อง ตะคำชี้มือบอก ท, ทันทีเจ้าพรานเด็กหนุ่มสองคนทำคอย่นร้องออกมาพร้อมกันเฟ้ยลุงคำทำไมถึงมาโทษกันอย่างนี้ลุงนั่นแหละเป็นคนแหกปากขึ้นอเป่าวนาะไอ้หน้าหมีหน้าหอยนอยแน่มาโทษซัดกูได้แต่เท่าจอมสัพ ป, ปะดกเถียงคอเป็นเอ็นเมื่อนั้นเองหนานอินซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่สุดก็บอกมาปนหัวร้อหือว่าเอ็งนั่นแหละไอ้เท่าคำ ยังไปทวดซั์เด็กมันอีกไอ้พวกนี้เป็นแค่ลูกคู่ของเองเท่านั้นแต่นายราพินก็ไม่ควรจะไปว่าอะไรมันเรื่องมันก็ถูกต้องแล้วพวกท่านพาน้องสาวออกมาเล่นน้องเขยอย่างนายราพินจริงๆเมื่อมันเป็นความจริงก็ต้องยอมรับสี่รพินคอแข็งทำหน้าพี่กลุลแล้วพยักหน้าหนึบอา้าวเมื่อลุงอินเห็นว่าตาคำจะพูดถูกแล้วฉันก็ไม่อยากจะเถียงอะไรแต่ขอร้องว่าอย่าปล่อยให้พวกนี้แหกปากร้องเพลงพันนี้ขึ้นมาอีกปะเดี๋ยวเจ้านายท่านเอาตาย ท่านจะไปว่าอะไรก็เห็นท่านหัวเราดสนุกสนานเฮฮากันอยู่ทุกคนไม่เห็นมีใครโกรธรพินเดินเข้ามากอดคอครูพานหนานอินไว้แล้วบอกว่าฉันก็ต้องขอบใจลุงอินกับขยินด้วยเป็นอย่างมากที่วุฒิสภานาะยหญิงกับพวกเจ้านายทั้งหลายมาตามฉันถ้าไม่ตามมาฉันก็คงยอมใจตายไปแล้วหรือไม่ก็มีเมียผมสีทองเสียคนไปเลยขณะนั้นแต่คำผู้ย่องเข้ามาแอบฟังอยู่ด้านหลังก็แหยียปากออกมาว่าฮ่ ไอคำจะไปฟ้องนายหญิงว่านายพูดกับพี่อินไว้ยังไงพรานใหญ่สะดุ้งหยงหันขวับกลับมาแต่เท่าจอมแก่นคู่ใจก็วิ่งจูดหนีระยะขายยาวๆของเขาไปไกลเสียแล้วเป็นเวลาสายจัดที่ขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่ตัดทุ่งมุ่งหาเข้าดงทึบอันเขียวครึ้มที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าทุกคนเคลื่อนกันไปตามสบายโดยไม่เร่งร้อนใดๆทั้งสิ้นดารินขึ้นไปเดินนาหน้าคู่อยู่กับสามีของหลอนพลางกาชับว่า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 สงสัยว่าจะไม่แม่นเสือแล้วละค่ะโดยเฉพาะสําหรับสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อเราก็ถ้าสมมุติเสือมันโผล่พรวดพลาดออกมากําลังจะขบขมองระพินละถ้าในกรณีอย่างนั้นแล้วก็คงเป็นกรรมเก่าของระพินนะคะข่าที่ไปยิงมันไว้มากแล้วกันผมนึกว่าจะได้ยินคุณหญิงพูดว่าจะยิงมันเพื่อป้องกันผมไว้ซะอีกหล่อนอมยิ้มอยู่เช่นนั้นสันสีสะอยู่เช่นเดิมไม่ค่ะกรรมเก่า คุณต้องชดใช้กรรมเก่าและฉันก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเสือตัวไหนมันจะขบหัวคนชื่อราพินไพรวันได้จะให้รางวัลมันอย่างงามเลยทีเดียวโดยเอามันไปเลี้ยงไว้อย่างดีทีเดียวฐานที่มันสามารถขบหัวจอมพรานได้บ้าพรานใหญ่ครางออกมาเสียงหนักๆยกแขน ข, นขึ้นขยี้ปลายจมูกแล้วลดมือข้างนั้นลงตบไปที่ตะโพกของหญิงสาวดังป้าบดารินร้องอ้าวแล้วเอกกําปั้นทุบเขาด้วยแรงชั่วไม่นาน ทั้งคณะก็พากันเหยียบย่างเข้าสู่ชายดงอันเป็นป่าไม้เบญจพัณฑ์ที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยเถาวันต้นใหญ่เกี่ยวพันอยู่เป็นดงคณะทั้งหมดเดินรวมกลุ่มกันมาโดยไม่เว้นระยะห่างกันมากนะักพวกพรานพื้นเมืองเริ่มใช้ดาบเดินป่าตัดฟันกิ่งไม้เพื่อแวหวกขนทางเดินโดยสะดวกเมื่อระพินชี้กำหนดเส้นทางให้ระหว่างที่ตัดทางออกมาพบเส้นทางด่านเล็กๆและยึดเส้นทางด่านเดินไปกันนั่นเอง ทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวและปลดปืนออกจากไหลอย่างรวดเร็วด้วยสัญชาตญาณเมื่อได้ยินเสียงกุนเจนาตแปรเปร็นดังกึกก้องเฮ้ยจางเสียงตะเ่าบุญคำอุทานลั่นออกมาอย่างตกใจอันเนื่องมาจากเสียงนั้นดังมาจากหลังจอมปลวกใหญ่ที่ร่มครึ้มไปด้วยพุ่มคอยป่าเบื้องหน้าห่างออกไปแค่ไม่เกิน10เมตรเท่านั้นเองรพินไพรวันขณะนี้ช ง, งักกึกยกมือขึ้นสูงเป็นสัญญาณสั่งให้ทุกคนสงบนิ่งอยู่กับที่ ดารินผู้ยืนเคียงข้างเขาในขณะนี้กระชับไรเฟิลจุดสามเวแมกเนนในมือดวงตาของหล่อนจ้องไปยังจอมปลวกที่ปกคลุมไปด้วยต้นข่อยตาไม่กระพิพืนทุกกระบอกในมือของฝ่ายนายจ้างเก่าของเขาและลูกหาบทุกคนอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมแล้วแท้เจ้าของเสียงพรวดพลาดออกมาก็แปลว่าจ้าระหวันกันยกใหญ่เลยทีเดียวเพราะระยะมันกระชั้นชิดละเกินกึ่งอึดใจเต็มๆที่ทุกคนยืนนิ่งอยู่กับที่โดยไม่ได้หายใจยกเว้นราพินคนเดียว ที่ยืนในลักษณะสดประสาทเปิดพร้อมแต่ไรเฟิลในมือของเขายังคงคลออยู่ในแขนยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดทั้งสิ้นในขณะที่ลูกเลื่อนไรเฟิลของนายจ้างทุกคนแม้แต่ดารินก็ขยับขึ้นลำเรียบร้อยแล้วเสียงนั้นดังขึ้นครั้งเดียวและมันก็เงียบหายไปอย่างลึกลับจอมพรานยกมือขึ้นป้ายเหนือบันดาผัก แล้วหันกลับมามองดูลักษณะท่าทีของนายจ้างเขาทุกคนเบื้องหลังเห็นเตรียมประทับปืนจ้องอยู่ก็โบกมือช้าๆขึ้นอีกครั้งเชิงเตือนให้สงบและใจเย็นไว้ตัวเองก้มลง ช, าชา้าๆหยิบหินลูกรังบนทางด่านข้างหน้าก้อนเครื่องขนาดกำปั้นขึ้นมาถือเดาะไว้ในมือแล้วร้องตะโกนออกไปว่าไม่ต้องไปเห่ปากร้องอยู่อย่างนั้นหรอกออกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่ทำอะไรแกหรอกดารินและทุกคนตกตะลึงพรึงเพิดเมื่อได้ยินเสียงราพินตะโกนออกไป เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเช่นนั้นเมื่อขาดเสียงจอมพรานและยังไม่ทันที่ใครจะขยับปากเช่นไรทุกคนก็แว่อเสียงหนึ่งมันลั่นโกรกเกรกเหมือนกระดึงที่ผูกคอวัวควายดังออกมาจากหลังซุ้มข่อยนั้นดารินลืมตาโพลงร้องออกมาสุดเสียงอย่างปิติดีใจสุดขีดว่าเจ้าด้วนขาดเสียงของหล่อนก็มีเสียงแอ้ดังตอบมาอีกคราวนี้ไม่ดังมากนะักและเสียงกระดึงอันเป็นปล้องไม้ไผ่ก็ยิ่งดังเพิ่มขึ้น อันเนื่องจากการเคลื่อนไหวแล้วฝ่ายเชิดาก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าไอ้ด้วนนั่นมันไอ้ด้วนนี่ป่ารกด้านหลังพุ่มข่อยที่บทบังอยู่เริ่มไหวลู่ยวบยาบเสียงลำตัวใหญ่โตและกิ่งไม้สู้ซาออกมาแล้วชั่วไม่ถึงอึดใจคชสารใหญ่สีเทาปนดำก็ปรากฏร่าง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 เจ้าคชสารซึ่งแท้จริงก็คือเจ้าด้วนคู่ชีพของดารินวราริทผู้ซึ่งบัดนี้ได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันได้ดักรอคอยคณะทั้งหมดอยู่หลังจอมปลวกระหว่างที่ฝ่ายมนุษย์ได้เคลื่อนใกล้เข้ามาได้สุดกายคู่หมอบลงพร้อมกับชูงวงขึ้นสูงเปล่งเสียงร้องแหลมยาวอยู่เช่นนั้นเหมือนจะเป็นเสียงร้องทักทายนหญิงของมันดารินทลาเข้าไปถึงก็โถมกายเข้าไปอยู่ในระหว่างงางงอนของมันทั้งสองข้างกอดไว้ที่งวงของมัน ซึ่งบัตรนี้ก็ได้ลดลงมาโอบกระหวดรัดไว้รอบตัวหญิงสาวเสียงหล่นละลําละลักเรียกชื่อมันสันรริกแทบไม่เป็นภาษาพร้อมกับน้ําตาแห่งความปรากปลื้มปิตินองหน้าด้วนฉันไม่ต้องลําบากไปตามเธอที่ไหนอีกแล้วในที่สุดเธอก็มาดักคอยรับฉันดีใจเหลือเกินระพินเจ้าด้วนโผล่มาแล้วเจ้าด้วนจริงๆด้วยทุกคนก็ฮือเข้ามาล้อมอย่างตื่นเต้นไปหมดพร้อมกับร้องเรียกเจ้าด้วนเป็นเสียงเดียวกันหมด พระพินไพยวันถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ขณะที่เป่าลมพูออกมาจากปากเขาเป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาอย่างช้างใหญ่ที่กําลังหมอบอยู่กับพื้นโดยมีพญญายอดรักของเขานั่งอยู่บนหน้าขาของมันทั้งสตรีสาวสวยและทั้งปลายใหญ่ชะกันตัวนั้นต่างมีน้ําตาแห่งความปิติปราโมทอาบไหลไปด้วยกันทั้งคู่เขาได้เดินเข้ามาจนชิดเบื้องหน้าของมันขณะที่ดารินกําลังลูบไหลอ ย, อยู่ที่เนินศรีรษะหยาบกระด้างใหญ่โตนั้น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 กลับบ้านของเราด้วนบ้านหนองน้ําแห้งที่มีคุณแม่คนสวยของแกพร้อมที่จะเลี้ยงดูประคบประงมแกอยู่แล้วดารินเงยหน้าอันนองน้ําตาแต่ริมฝีปากพรายไปด้วยรอยยิ้มมายังเขาพูดว่าขอบใจคุณขอบใจมากๆฉันพูดอะไรไม่ถูกแล้วด้วนกลับบ้านเรานะลูกแม่จะไม่ยอมให้ใครมารังแกเจ้าได้อีกแล้วเราจะไปอยู่ด้วยกันที่หนองน้ําแห้งนุน่นเทษฐาอนุชาชายยันพากันกระพริบตาปิบปิบๆแล้วมองหน้ากันเองไปมา พี่ๆทั้งสาไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยนอกจากถอนใจยาวอย่างโล่ง อ, อกจบบริบูรณ์ขอได้รับคำขอบคุณจากณบ้านวรรณกรรมและพนมเทียนและผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านที่อุตส่าห์ฝืนใจทนฟังมาได้จนถึงจบคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่